ใจเวลาเกี่ยวข้องคือปกติมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอยู่เป็นประจำหรือว่าเป็นประจำจิตนึกเป็นนิสัยของจิตไม่ได้คิดเดีปรุงมันอยู่ไม่ได้คิดปรุงก็เพื่อเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆจะร่วงมานานไม่นานก็ต้างวาดภาพปรุงแล้วเป็นภาพนั้นขึ้นมาจิดก็เอาอารมณ์นั่นแหละมาเป็นเพื่อน ความจริมันก็เป็นพิษเพราะไม่ทราบจะแก้ไขยังไงไม่เข้าใจไม่รู้ดีก็ต้องติดชั่วก็ต้องติดนั่นซุขก็ต้องติดทุกข์ก็ต้องติดเพราะพร้อมที่จะติดท่าน จ, จิตใจไม่มีทางออกไม่รู้วิธีที่จะแก้ไข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 คามจิตมันติดความติดความวาดความคิดความปรุงหมายนั้นหมายนี้ล้อนแล้วตั้งแต่จิดหาเรื่องทั้งนั้นเรื่องของจิตจึงมีมากมายกายกองมากยิ่งกว่าเรื่องใดๆทั้งหมดในโลกนี้การจะแก้จิตให้มีเรื่องอันน้อยลงไปโดยลาดับและให้นิคาดเลือกเรื่องที่ควรคิดไม่ควรคิด เรื่องที่ควรส่งเสริมนีืยควรแก้ไขดัดแปลงหรือควรลบล้างเราไมนมีทางทราบได้มันเป็นอย่างนี้ทัานจึงต้องได้เรียนใ้รู้วิธีถ้าเราดูตามหลักธรรมชาติธรรมชาติที่กล่าว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 เป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิวธีแก้ไขดัดแปลงหรือระงับดับกลงไปได้จึงต้องยอมอยู่กับทุกข์ทั้งๆที่ใครก็ไม่ปรารถนานผู้ที่ไม่มีทางทราบเลยในอุบายต่างๆที่จะหาทางนิรอดออกจากทุกข์นี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากเรายัง ยังดีพวกเราหลักธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวนมีแต่อุบายแก้ทุกข์ทั้งนั้นและเป็นหลักที่แหลมคมมากทันกับสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ทั้งหมวนได้เช่นเดียวกันนี่เราจรึงเรียกว่าได้เรียบบรรดาสัตว์ทั้งหลายแม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขา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 นี่แหละมนุษย์เราก็มีความต่างกันอยู่เช่นนี้พอได้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้รับการอบรมรูอุบายต่างๆจากหลักธรรมที่ครูบาอาจารย์นำมาส อ, สอนก็ดีที่ในศึกษาโราเรียนก็ดีเราจึงควรถือเป็นสำคัญ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 มีมากมายกลายกองเพราะอย่างยิ่งทุกข์ที่เกิดขึ้นจากนิเรศนิเรศทด่หให้เกิดความทุกข์ให้กระทบกระเทือนจากด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สัตโลกจะหาทางแก้ไขกันได้ยากมากจนมากไม่มีทางจึงต้องยอมรับกันทั้งโลกเราจะไปโลกไหนก็ไปเถะแล้วจะต้องได้ยินเรื่องความทุกข์ความลาบากของสัตว์โลกด้วยกัน ไม่มีบกค้องสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีจะเป็นคนชาติชั้นมั น, น้ะไหนก็มีมันก็เหมือนเหมือนกันเพราะธรรมชาตินี้มีอยู่ภายใน จ, จิตใจด้วยกันทั้งนั้นกา ร, ป ร, ปรเป็นเรื่องประกาศตนในหลักธรรมชาติแห่งสิ่งที่มีอยู่นี่ก็คือความเกิดขึ้นมาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เลียายงฉ้มีเชื้ออันในพาให้เกิดนี่ มันเป็นเครื่องประกาศตนอยู่ในนั้นถ้ามันมีเชื้อจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้ไม่ได้ดังพระพุทธเจ้ารักษาวกที่หมดเชื้อไปแล้วท่านไม่กบไม่เกิดเห็นได้อย่างชัดเจนภูที่เกิดก็เกิดเพราะเรื่องของยิเงใหญ่เพราะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจึงเป็นเรื่องของยิเงใหญ่จะเป็นผู้ทักผู้จูงผู้นำผู้ทำลายหรือผู้เบียดเบียนเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเชนั้นสัรวโลกทั่วไป จึงต้องยอมรับกันในเรื่องของทุกข์เพราะกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจต้องผุดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่องความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจจึงมีอยู่เรื่อยเรื่อยหาทางสิ้นสุ ด, ดยุติไม่ได้ศาสนธรรมที่ถันสอนนี่เป็นความถูกต้องที่สุด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 ต้องศึกษากับครูกับอาจารย์ก็มีแต่สยามภูคือผู้รู้เองได้แก่พระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าพระพเาเท่านั้นแล้วยังไงก็ตามอย่างผู้ที่จะศึกษาทั้งก็ยังดีเพราะศึกษาในแนวทางที่ถูกแล้วปฏิบัติตนผลไปหน้านโดยลําดับนี่แหะท่านว่ากองทุกกองทุกที่ว่าสัจธรรมท่านว่ากระเทือนโลกอยู่นั้น่ะเราพอจะทราบได้หรือไม่ว่ากระเทือน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 เรายกทุกข์าสตร์ขึ้นเป็นข้อแรกประกาศผลของกิเลสอย่างโดยอย่างตรงตร ง, งทีะประกาศกลางวันอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่รู้หรยอไม่เห็นหรือท่านพูดอย่างถูกต้องเลยมันประกาศอยู่กับจัดกับคนทั่วไปโกนุฮาโซจิมานันโดนิ จ, จัง ป, ะ ช, ปะชริเตสติอันทกาโอเลนโอนัทา ปฏิปังนั่นกเวสถะนอย่างที่พูดทิ่สลาวันนั้นพูดเอาเนื้อความให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงตามความจริงและจุดที่หมายก็คือกมอโลกชะนิวาทนี้ร้อนไปด้วยเพลิงของกิเลสเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาพวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกันไปหาอะไรหนักทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งเ่าเนี่ยโกนุห้าโซนหมายถึงว่า หัราะรื่นเริงมันถึงนิจังประเสธเตสตินี่หมายถึงไฟที่เหลยกตัญหาใช่ไม่มมันเผาผรานอยู่ตลอดเวลาทําไม จ, มจึงมีใจกิจใจใจเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่โดยไม่รู้สึกตัวปฏิปังปฏิปังนักเวสชาจึงก้อนอันธกาโเลนะโอนะถาคือความมืดบอดมันครอบจิตตลอดเวลาฟ้าจะสะว่างตะวันจะกี่ดวงกว็ตามความมืดของกิต สวรรไม่สามารถที่จะส่องเข้าไปถึงนั่นและตัวมืดด้วยอำนาจของกิเหลสมันปิดได้อย่างนั้นเมื่อมันครอบงมจนมิดอยู่เช่นนี้ทำไม จ, จึงต้องรื่นเริงกันอยู่ละไม่แสวงหาที่พึ่งนานนี่แหละเป็นพระโอาวาทของพระโุทธเจ้าเป็นพุทธภาษิ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 เรื่งชาตินี้เราก็ยังจำไม่ได้ทามาทามาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วลืมลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วส่วนกองทุกข์มันมีอยู่ภายในใจมันแสดงอยู่ตลอดเวลาแล้ว เ, เราจะไปสามารถทราบได้ยังไงในภพเนชาติของเราที่เป็นมามากน้อยผักผีพยานก็คือตัวสำคัญได้แก่กิเลส ที่เป็นเชื้อให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทุกภพกทุกชาติล้วนแล้วตั้งแต่เป็นไปเพราะกิเลสเป็นเชื้อนี้เท่านั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าเราต้องเกิดคือเราต้องเคยเกิดมาแล้วเช่นเดียวกับชาติปัจจุบันนี้เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดเพราะกิเลส ต, ตัวให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี่เป็นเครื่องยืนยันภพชาติทั้งตนจะนับได้หรือไม่ได้ก็ตามว่ากี่ภพกี่ชาติจะเคยเป็นมา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 มันก็มีแต่เรื่องกองทุกข์ที่มันผิดขึ้นมาให้เรานั่นเองนี่แนหะแต่ละบุคคลบุคคลมีเต็มตัวนี้ท่านว่าทุกประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกดินแดนในใจโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยทุกเต็มไปด้วยสัจธรรมง่ายสัจธรรมคือทุกขศัสตร์ก็เป็นสัจธรรมข้อหนึ่งสมุทัยศัตร์ก็ได้แต่ตัวกิเลสที่เป็นตัวบงการเป็นตัวผิดทุกข์ขึ้นมา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 สติปัญญาศรัทธาความเพียรคุณงามความดีทั้งหลายนี่แหละเป็นตัวกําจัดเป็นตัวชำระเฉพาะอย่างยิ่งคือสติปัญญาเข้ามาทำงานอยู่ในที่นี้กิเลสก็เริ่มขยับขยายไปโดยลาดับลำดับเมื่อสติปัญญามีความสามารถแจก้ามากน้อยเพียงไรทิเลสก็จะค่อยขยายตัวออกไปจางไปจางไปจางไปมากน้อยเพียงนั้นนี่เรียกว่ามรรคสัจ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 จากความเป็นนักโทษในห้องขังคือวัตจักรได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตายมุ่นเีย็นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในเรือนจำคือวัตจักรเจ้าผู้รับกวามทุกข์คือนักโทษก็ได้แก่ตัวของเราได้แก่จิตของเราเนี่ยสัจธรรมคือมกรคสรน์นี้เป็นเครื่องทําลายนิโรท่สัต์นั้นก็คือความดับทุกข์ไปโดยลําดับอันเป็นผลมาจากมากที่มีกําลังมากน้อยนั่นเอง ทั้งสามสี่อย่างนี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันอยู่เสมอเชนอย่างมกษัตริย์ก็มาทํางานอยู่ภาจิตใจกิเลส ก, ก็ทํางานอยู่ภายใจิตใจทอำนาจกิเลสไปได้มากน้อยกว่านั้นอํานาจของมกษัตริย์และนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปตามลําดับแห่งกิเลสที่ดับไปมากน้อยจนกระทั่งมกษัตริย์มีความสามารถเต็มที่กำจัดสมุทัยสัตว์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 นอกเหนือไปจากมรรคแบดนี้แล้วไม่มีอันในที่จะรับรองว่าผู้นั้นจะพ้นทุกข์ไปได้ด้วยํำพังความคิดเดาของตัวเองหรือด้วยความอยากของตัวเองเท่านั้นสิ่งที่รับรองก็คือสัตว์ก็คือมรรคขสั์สรุปแล้วก็คือคุณ ง, งามความดีทั้งหลายมีมรรคขสั์เป็นสาคัญได้จ็ปัญญาสติเนี่ยเป็นเครื่องทำลายที่เลส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 วลานัน้คือการสลายนี่ท่านมีด้วยกันเราก็เป็นนักรบคนหนึ่งในสงครามคือเราเรื่องของขันที่เรารับผิดชอบมาเรื่องของจิตเราก็ทําความรอบคอบต่อขันเราอย่าไปโง่กว่าขันทั้งโง่โง่กว่าขันเราก็ยอมแบกทุกที่มันเกิดขึ้นภายในขันโดยที่ขันเขาไม่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 แล้วจะแบกทุกข์ขึ้นทั้งทางจิตขึ้นมาอีกก็ยิ่งหนักมากยิ่งกว่าขันที่แสดงทุกข์ขึ้นมาโดยด้วยลําตางตนเองแต่ามีความฉลาดขันเป็นทุกข์ก็ให้ราเป็นทุกข์แต่ไม่แบกความทุกข์นั้นเพราะความรู้เท่าเท่างันนี่ชื่อว่านักเรียนธรรมะนักปฏิบัติธรรมะตามความจริงแห่งสัจธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไม่มีการกระทบกระเทือนแก่ตนจะเป็นสุขโต้ดูก็เป็นสุขโต้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 ทำลายเราตลอดมาแพ้เขาเรื ơi, ่อยๆเพราะเราไม่สู้นว่หวงเเรายอดทีนี้เราสู้ตอนเห็นใครชนะกันคืงเรี่อว่านักลบไม่ใช่นักหลบอะไเกิดขึ้นมากับหลบหลบหลบหลบหลบซ่อนเขาก็ตามตปเดียวดีไปหลบไปซ่อนสู้มันจนอ้าวหามลงเวทีนี่หว่านักมวยเอว่ะ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 จิตมีความฉลาดแล้วอยู่ไหนก็ฉลาดปัจจุบันนี้ก็ฉลาด